เตือนทำใบพรางบรรลุธรรมไปพรา ง, รางฟังธรรมไปพรางบรรลุธรรมไปพรางพอบงานประตวูว่าสิ่งที่พูดนะ่ะเป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงธรรม อาเกินเป็นการเผยแพ่ศาสนาพานนจำได้มากแต่ทุกวันนี้ก็เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาแสดงสืบต่อเอาไว้ดำรงสาสนาเอาไว้มีผูพ้พูดมีผู้ฟังนะฟแรกก็ทำไปไ ขณะที่ได้ยินได้ฟังไปตาใจไปด้วยอ่าเวลานี้เสียงจิงดีดล่องดังเป็นฤดูของเขาเสียงหลวงพ่อสู้จริง้ง ด, ดีดก็ได้มันไม่มันเจ็บเอเสียงจิงดีดดีกว่าเสียงหลวงพ่อเลยแล้วก็ฤดูนี้เมื่อจิ้งดีดมันลอง ตะขาบก็มีนะการเดินไปเดินมากันข้าม ง, งคืนระหว่ังตะขาบตะขาบมันหาจินตอนลองคืนหาจินยิ่งลิดนี่แหละเราจึงมีไฟฉายเดินตามถนนทางกข้ามกลา ง, งคืน อาศแสงสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจํำวันในกลางคืนแสงไฟจันทร์สว่างในกลางคืนดาวอาทิตย์ส่างในกลางวันแต่ธรรมะนะสว่างทั้งกลางวันวันและกลางคืนด้วยกลางวันกลางคืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร มันเป็นโลกหมุนต่างหากถ้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็เวลานี่ก็สามสีทุ่มไปแล้วเพราะญี่ปุ่นน่ยค่ำที่หลังเราเราค่ำก่อนมืดก่อนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยสว่างก่อนเราเพราะญี่ปุ่นไอ้เป็นเขาว่าเป็นโลกปลาทิตย์เพราะเห็นนักเทศก่อนคนทั้งโลกเพราะนั่นหมายถึง โลกมันหมุนไม่ใช่กลางวันกลางคืนยาไปหลงจนเกินไปแต่ให้เป็นธรรมะสว่างสวยในจิตใจของเรากลางวันเราทําใหม่กลางคืนก็เป็นอย่างนั้นกลางวันเราเปา็นยังไงกลางคืนก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราเป็นยังไงเวลาข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้จึงต้องริขีชีวิตของตนเองให้ อยู่ในการศึกษาปฏิบัติอยู่เสมอโดยเพราะพวกเราเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ไม่ใช่มาเล่นงานศึกษามาปฏิบัติทำกันป็นการศึกษาแบบถลุงแบบจ้อยไม่ใช่แบบ แบบโรคๆของมันย่อยไปตัวถ้ารู้สึกความหลงก็ไม่มีถ้าความหลงมีความรู้จึต ก, ก็มีได้สร้างเอาให้มันย่อยลงไปให้มันคนละคนละมุมกันใช่อย่าไปสุดตรงทางใดทางหนึ่งถ้าหลงอยู่นานเกินไปก็เรียกว่าสุดตรงเป็นการปฏิบัต ที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่เป็นธรรมดารู้สึกเฉยๆไปไม่ใช่ไปขี้ไปบังคับมันถ้าไปบังคับเกินไปการจเจริญสติมันก็เป็นทางตันได้ไปไม่ได้เหมือนกันยากทุกข์าปฏิปทาทันทะปัญญาปฏิบัติลำบาก รู้เลยยากด้วยมันเข่งคัดเกินไปถ้าเป็นสินก็ินและพุทจนเกินไปให้เป็นสินที่ผ่านเป็นทางผ่านแต่มันผิดก็เป็นครูอย่าทำผิดซ้ำถ้าถูกก็เป็นครูอย่าไปติดของถูกต้องจนเกินไป เราเห็นทั้งสองอย่างถูกเราก็เห็นผิดเราก็เห็นไม่ใช่เราไปพอใจกับความถูกเราไม่พอใจกับความผิดจะไปเป็นกับผิดกับถูกอย่าให้มันเป็นใหญ่กว่าสติสติมันมันไม่เป็มเลยมันรู้เท่าั้นเอง มันผิดเพื่อรู้มันหลงเพื่อรู้มันทุกข์เพื่อรู้มันสุขเพื่อรู้ตัวรู้เนี่ยถือว่าเป็นมัชเป็นมัชช ม, มาปฏิปทาไม่ใช่เราไปท่องจำเอามัชชี ม, มาปฏิปทาคือตัวรู้นะถ้าเรารู้อยู่เรเล่าว่าเราสอนเดงถ้าสอนเดงตัวเองก็เชื่องไป ได้บทเรียนจากความรู้ได้บทเรียนจากความหลงเรื่อยไปทั้งสองอย่างเมื่อได้บทเรียนจากความหลงความรู้ความสุขความทุกข์ทั้งสองอย่างมันก็เลื่อนฐานะของเราไม่เป็นกะระปลายไม่เป็นรลายชีวิตของเราก็เชื่องได้ไม่ปรพยศไม่เป็นพิษเป็นภัย เนี่ยการสอนเด้งไม่เหมือนคนอื่นสอนเราเราจะเราอาการสอนเด้งเราเห็นเราเราเห็นเราก็ต้องสอนเด้งก่อนที่จะสอนคนอื่นงานอันเดียวกันหลักสูตรอันเดียวกันความหลงความรู้ความสุขความทุกข์อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้นะ่ะ มันเสียเวลามากๆกไ เ, เดยมันหลงไปทางตาทางหูจะบบเล่นกายใจมันหลงไปทางรูปรสจินเสียงอารมณ์สัมผัสต่างๆมันจุกอยู่กับิมิตอามิตตัางหลายที่ทําให้เราจุกเราหลงเพิเพ่มเกินความรู้ถ้าเราไปติดอยู่ความรู้เป็นสุกผู้ความรู้เป็นสุกผู้ความสงบ มันก็เสียเวลาเหมอนกันมันก็เสื่อมได้ถ้าเราพอไปพอใจกับการปฏิบัติลูบลูบลูกน้ำลูบหันหน้าลูบสมมุติลูบวันจัดรูบปรมาิตก็เพลินอยู่ตรง น, นี้เหมือนบา้าได้กบเคยเคยเห็นบา้าได้กบให้โบราณนะบา้าได้กบมันไป มันไปจกเขกบอยู่ในรูมันก็ได้กบมาอยู่ในรูมันก็ไปจกแต่รูโกบทั้งทั้งนี้มันเอาไปแล้วตัวโกบแต่มันก็เคยได้ตน้องเขาไปจกเขาไปจกมันก็ไปได้เลยแต่บ้าได้โกบคนติดรูติดจุกติดอะไรต่างๆสงบเนี้ยมันเป็นความเสื่อมความตันได้ว่าเราจึงรู้เนี่ย ตัวลู่ตัวน่นเป็นตัวลู่ที่ไม่ข้องแวะกับอะไรเลยาการสอนตัวเราเมื่อวันนี้หลวงพ่อไปพูดกำลักเรียนว่าสมัยนี้เขาเขาไม่ทุกข์แล้วเขาไม่โกรธแล้วเขาไม่โง่หลงองมาแล้วเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วคนในโลกทั้งหล เขาไม่สูบบุหรีเขาไม่กินเล่าแล้ ว, ลวเขาพระาเขาถ้าเรายังโกรธอยู่ก็ก็เร็วกว่าหมาฝรั่งด้วยหมาฝรั่งเนี่ยมันไม่กัดกันเพราะหมาทุกตัว เ, เขาต้องเอาเข้าโรงเรียนต้องไปเรียนโรงเรียนครูผู้ฝึกสอนหมาก็สอนให้หมาเนีไม่ทะเลาะกันเละ หมาอยากใครมาใจไหนตัวเล็กตัวโตวเอามาอยู่เที่ยวเรียนไม่กัดกันเล่นกันสนุกสนานไปเลยไม่เหมือนหมาคนไทยเราเนี่ยถ้ายังทะเลาะว่ากันอยู่มันเร็วกว่าหมาฝรั่งฝรั่งเขายิงลักหมามาเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาพาหมาไปเที่ยวสวนสาธารณะหลวงพ่อเคยไปกับอันยูกิไปดูสวนสาธารณะ เห็นเขาเอาหมาไปด้วยประหลาดเอาหมาไปด้วยเล่นกันอหลวงพ่อมาดูเหรอนี่ถ้าเรายัางทะเลาะว่ากันเหบียดเบียนกันอยู่ทําให้คนอื่นไปทุกข์อยู่ทํำให้คนอื่นลําบากอยู่ไม่ใช่สำนักไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่นักบวชไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนที่ว่าเป็นสัตว์ธริเสริศเลยการเจริญสติเนี่ย มันไปทางนี่แน่นอนเป็นไปเพความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อหมดพิษหมดภัยนิพพานไม่ใช่ตายนิพพานคือหมดพิษไม่เป็นพิษอีกถ้าเป็นฐานไฟก็มอดแล้วไม่ร้อนมอดแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เย็นได้กลางคืนกลางวันที่รุ่มที่ดอนที่ป่าที่ โล่งที่แจ้งที่วัดที่บ้านเย็นไรเรา ย, ยังสอนตัวเรานะมามาอยู่ด้วยกันมาสอนตัวเองเอาจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ของเราหรอกเราน่ะเป็นครูสอนเราเองต่อพ่อเคยไปพูดที่อ่าที่อันรัฐเอกกัรประเทศสลรัฐ นาดฟ้กัดทะเลสายเป็นหลงฮาชิโน่ไปพูดว่าธรรมชาติสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนมีคนไทยคนหนึ่งเขามาขอร้องอย่าพูดอย่างนั้นเลยว่าไปดูถูกพระพุทธเจ้าโอ้ไปดูถูกอะไรพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมันสอนเรา ก็หลงอ่ะใครมาใครมาบอกใครหลงธรรมชาติมันก็เป็นอกุศลเป็นธรรมเรารู้หรออะไรมาสอนหรอเราก็เป็นธรรมชาติมันเป็นอกุศลและธรรมพระพุทธเจ้าก็ถูกธรรมชาติสอนเวลาพระ อ, องค์ความเป็นอยู่ใต้ต้นสีมหาพ์คิดถึงพิมพาเอา้ามันเคยมันติดกันธรรมชาติเคยอยู่ด้วยกันกับพิมพาเคยอยู่ด้วยกันกับราหุนเคยอยู่ด้วยพระราชวางัง กับครอบเจ้าจตุตถามันก็ย่อมคิดไปธรรมดาไปธรรมชาติอันหนึ่งที่มันติดมันเปิดมันเตือนมาเอาเราก็รู้ขึ้นมาเอาไม่ใช่เรามานั่งคิดถึงเทมพาราหุนนะเรามาสแสวงงูกะธรรก็อะไรมันคิดอัไรก็ธรรมชาติเด็กก็สอนตัวเองอยู่ขณะที่มันผิดสอนตัวเองขณะที่มันถูกสอนอยู่นั่น สอนเล่าสอนเล่าสอนนันเดียวหลายข้างหลายหนมันผิดก็สอนมาอยู่นั่นแหะมันถูกก็สอนมาอยู่นั่นลู่ไปเรื่อยๆอันตั้งแต่หยาบขึ้นไปเป็นกลางลุลละเอียดที่เรียกยังกัหยาบก็คือความโลภความโกรธความหลมลต้องเหมือนเปือกกล้วยไม่ใช่ของละเอียดหยาบที่สุด ใครก็เห็นเราได้ถ้าเราโกรธหน้าตาก็โกรธเบึง่งคำมัดกัดฟังฟันเ ม, มื่อไงก็แสดงออกมันยากความโลภกวเหมกันเอาของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ความหลงก็ไม่รู้จักละความโกรธความทุกข์ไม่ฉละออกจากกิจใจตัวเองปล่อยมันหลงอยู่ พวกความสองความแสดงความนูออกหน้าออกตามนอนหยาเหมือนกับเบือกต้นกล้วยถ้าเป็นแก่นที่เป็นศัจจธรรมเบื้อสูงก็เหมือนแก่นเหมือนหยวกเราจะเอากล้วยมาแยงเนนะี่ยเราต้องปอกเปลือกออกก่อนจึงจะถึงหยวกมันความโรภของมโกความหลงเป็นของหยากอานุษย์ใส่ต่างๆ เป็นของปานกลางอนุสัยนอนเนื่งความโกรธความโลภความหลงมันก็นอนเหนื่งเป็นอนุสัยนอนเหนื่งอยู่ในสันดานมันฝึกมาเป็นอนุสัยต้องละตัวนี้วิธีละตัวนี้ต้องมีความรู้สึกตัวอย่าไปอดไปขั้นอย่าไปโทษโต้โท ษ, โทษนี่คนนั่นทําให้ทุกคนที่ทําให้โกรธ มันเฉยเวล่ะต้องเอามันเลยเอามาเลยเสี้ยหน้ากันเลยเรียกว่าดวงใสคือปานกลางออย่างละเอียดก็คือที่มันเป็นจิตที่มันเอายิงก็คือตัวหลงที่มันเป็นงอห์จิตที่มันเป็น ต้นเหตุของสิ่งต่างๆเอา้าเราก็ทําอย่างนี่รู้อยู่นี้นจะไปยุ่งไปยากอะไรบ้าเจียงว่าปฏิบัติทธรรมไปผางยกมือสร้างเจียมว่าไปพางเดินจงกรมไปผางบรรลุธรรมไปผางขณะที่เราดั้งยกมือสร้างเจี่ว่าก็ เ, าเห็นจริงเหล่านี้ถ้ามันเป็นนักรบคนก็ซึ่งด่ากันเลยถ้านักรบ ลบกันต่อหน้าต่อตามันก็แพ้ชนะกันในยังทิพตาเดียวถ้าเป็นดักลบหลอกองโจรเนี่ยลำบากร้อยปีก็ยังไม่จบเหมือนกับเวลานี้ภาคใต้ของเราเดือนร้อนฆ่า ก, กันตายเป็นรายวันเพราะเขาลบด้วยกองโจรซุ่มดักฆ่าดักยิงไล่อะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจ ถานฐานไม่ใช่เขาไม่ฝึกเขาฝึกมาดีแต่ว่าถ้าเป็นกองโจรเขาต้องเสียเปรียบอันชีเลตจะทําทั้งหลายมันไม่ใช่กองโจรหรอกมันมาแบบต่อหน้าต่อตาเราเห็นแท้ๆมันหลงเราก็เห็นมันถูกมันทุกเราก็เห็นมันก็ลู่ออกไปเล ย, เลยจึงไม่ใช่ เป็นเรื่องยากอะไรเลยเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องชัยชนะไม่มีแพ้เลยถ้าเรามีสตินะเพราะเรามีชื้ภูมิที่ดีกว่าถ้าเป็นศัตรูเหมือนประเทศไทยเราคยรบกับประเทศเราใสมัย อะไร <c oughs> เติ่นายทหารสามหลวงพ่อองค์หนอาจารย์หนึ่งอ้าวคนลาวเขาอยู่บ้านล้มเก้าเขาใยชายพรมดีกว่าสูงกว่าคนไทยอา้าวทหารเด็กน้อย 15-16 ปีก็ลบทหารไทยตายไปเท่าไหร่เพราะชายพรมเขาดีกว่าเราจึง มีสมองผมมีใภูมที่ดีถ้าจะเป็นตั้งตั้งทับที่จะเป็นลบอะไรมีบังเกอร์มีอะไรต่างๆเครื่องมือดีๆการปฏิบัติทำนะ่ะมันเป็นใภูมที่ดีผมรู้สึกตัวนะ่ะเป็นใภูมที่ดีไม่มีแพทย์เลยใครจะเป็นนิดใอยังไงมาเป็นนือใจยังไงมาพอมาเข้าสู่ใจูมที่ดีนะ่ย มันก็มีทางชนะได้เวลามันหลงเราก็รู้งลงลได้ชนะความหลงไปร้อยครั้งบรรพมนไม่ใช่ชายภูมิที่วัดป่าสุกโตที่วัดป่าสุกโตตั้งอยู่จังหวัดชายภูมิไม่ใช่นะเอ็นชายภูมิคือฐานธรรมวิหารธรรมคือความรู้สึกตัวนะสร้างเอาสร้างหาเอา มีทุกที่ทุกทางการข้ามกลางคืนมีไม่มีการไม่เวลาใชยปุ่มมันแน่ไม่เหมือนนักรบ ท, ที่เข้าไปลบกันนะแต่นั่นนั่นต้องมีเวลาแต่นี้ไม่มีเวลาเลยอยู่อย่างนี้บอดใจก็ได้รู้จึกตัวรู้จึกตัวหนะึ่งมันจะยากอะไรมันไม่ยากจริงๆนะสมัย หลวงพ่อเป็นคาววะไปปฏิบัติธรรมก่อนหลวงพ่อเทียนะไปขอบวชเช่นเจ้านาคเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าวรรษาิยากขะบวชตัดิใจแล้วหลวงพ่อเทียนก็บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ปฏิบัติธรรมมันทำได้นั้นก็มีชัยพรมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสร้างใจว่าะยกมือสร้างใจว่า ก็ปฏิบัติทำกันไปตามที่หลวงพ่อแนะนําปฏิบัติทำกันไปผังโอ้ยแล้วก็เป็นเหมือนหลวงพ้อว่าม า, าลู่เอาลู่เอาความหลงก็หมดไปหมดไปที่แรกก็ความหลงมากพอทําไปทํามาความหลงก็น้อยความรู้มันก็มากขึ้นได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติ ามรรมะคือหน้าที่ของธรรมชาติที่มันเป็นไปเองยิ่งได้ว่าธรรมชาติสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนเขาก็ขอรองพราอย่าพูดเลยนะมันดูถูกกูจะอู้ไม่ดูถูกเออไม่พูดกูไม่พูดได้ยู่งไะกันเลยไม่ทะเลาะกับเขาแล้วก็เลยถามเขาว่าแค่ก่ <laughs> อนเขาก็เป็นตักแดงที่ร้องเพลงอะไรนะ <laughs> ขเขาบอกเป็นดักร้อง ตอนนี่เขาไปตั้งร้านขายอาหารไทที่รัฐวิการเขาเปนคนชี่อเล่าโมยาเขาบอกกินเหล้าเงจงกินไปกินมาเมื่อตั้งร้านขายอาหารอยู่ที่ก็ยังกินเหล้าอยู่พอยินไปเย็นมาก็ชิ้นได้เออไม่รู้วไอ้ชิ้นมันมีเปียกอะยรเล่านะี่ยก็เลยเลิกกันเดีเอาคุณเลิกกินเหล้าได้ใครสอนคุณ ผมก็สอนเดิงทำไมสอนเดิงได้ไงเพราะผมเห็นว่ามันไม่มีประยโยชน์อ๋อนั่นแหละธรรมชาติสอนมีพระพุทธเจ้ามาสอนไหมเฮเออเลยพูด่างนีไปโอ้เราเลถ้าอย่างนี้มันก็ใช่าะพูดเหล่านี้เราพูดภาษาธรรมกันไม่พูดภาษาคนเอาคนไม่พูดก็ไม่พูดละที่นี่นะแต่ว่ามันผิดเพี้ยนไปจากที่นี่ไม่ได้เลยเนี่ยนะ มันก็เห็นอยู่เนี่ยธรรมาชาติมันสอนเราดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระธรรมคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าเทีงยงวันพระพุทธเจ้าติดตัดสือลูกก็เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเ ท, ท, ทียงมาไปที่ยังไม่มาตัดสืลูกก็เคารพพระธรรมที่ยังไม่มาอีกที่มีมาแล้วก็เคารพพระธรรม พวกเราก็เคารพนะครับเคารพเคารพความชั่วยิ่งกลูกความดีก็ว่าได้เราสร้างสตินี่เพื่ออะไรเพื่อเคารพความชั่วหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเคารพกองขี้หมาเคารพกองขี้ไก่เอา้าทำไมไปเคารพกองขี้หมาเคารพกองขี้ไก่ เพรขี้ไก่มันเหม็นอย mile, devant, ่าไปเหยียบมันขี้หมามันเหม็นอย่าไปเหยียบมันถ้าเหยียบพอเหม็นมาเรามันดั้งอยู่เนี้ยเพื่อนก็ว่าเอใครเหยียบขี้ไก่มาใครเหยียบขี้หมามาเหม็นเหม็นเหม็นมานั่งอยู่กับใกล้คนไหนคนหนึ่งก็ก็ว่ามันเหม็นมันเหม็นเอ้ามันเหม็นอะไรดูตัวเองก็ดูดูตัวเองโอ้ยขี้ไก่ติดเท้าติดรองเท้าโอ้นั่นแหะคือเราไปทําชั่ว ไปพูดชั่วไปคิดชั่วเลยมาเป็นบาปเป็นกรรมผิดศีลผิดธรรมมีเบียนใครมาเมื่อพออยู่ด้วยกันมูก็เห็นความชั่วที่เราเป็นคนไม่ดีแม้ในพระธรรมวินัภิกษุผู้ต้องอาบัติอย่างหนักมาร่วมปาฏิโมกไม่ได้ต้องเอาภิกษุองนั่นหนีออกไปจากปาฏิโมกจังลงปาฏิโมกได้ เพราะฉะนั้มันเหม็นแต่ใครยังออกไปเพราะมันเหนม็นอันขี้ขี้หมาขี้ไก่ความชั่วทั้งหลายเคารพบเคารพบก็ อ, อย่าไปทําอย่าไปคิดอย่าไปพูดถ้าไม่เคารพบไปยังพูดยังทํายังคิดอยู่ถือว่าไม่เคารพอบเลยล่ะไม่เคารพบก็ทำด้วยธรรมชาติเปน็นนี่มันมีเหตุมีไปใจอย่างนี้เนื่องด้วยการมาอย่างนี้ แล้วก็ได้หลักได้ฐานปฏิบัติธรรมไปก็ปฏิบัติธรรมกันไปพางยกมือร้างแจงบัดกันไปพางบรรลุธรรมไปพางเมื่อได้ยินหลวงพ่อเทียนพูดมันก็มีเครื่องรับอยู่ในตัวเราเหมือนพวกเราทั้งหลายที่ฟังท่านอาจารย์เอานั่นพูดใครเขพูดหลวงพว่อเขาพูดแล้วก็มีอยู่เราเหมือนเวลานี้ คึืนโทรทัศน์คลื่นวิทยุมีอยู่แต่ทำไมเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่มีเครื่องรับถ้าเรามีเครื่องรับก็ได้ยินแหละใครพูดผิดใครพูดถกูกมันมีมิเตอร์ในตัวเราฮนะเช่นของพ่อเคยพูดแล้วว่ามีพระมาฉากเทศตริตเอาเจดูคำมานะมาแจกมาขาย มาเช่ามาให้เช่าที่นี่หลวงพ่อก็ยืนรถน้ําต้นไมาอยู่ตากแดดอยู่เขาก็ตั้งรถมาจอดรถหลวงพ่อก็รู้ว่าเขาจะไปไหนก็เลยบอกเขาเหยียบสายยางมาได้เดินมาวิ่งมาได้สายยางมันขวางทางอยู่โซ ล, ล่าไทรักษั์อแล้วก็ไม่มาเขาจอดรถเขาบอกว่าเขามาเพื่งเป็มีหลวงพ่อ ได้ทราบข่าวว่าที่นี่มีปรารมีมากปรารมีอะไรผมเอาจตดดุคามมาผมสร้างโบสถ์ต้นไม้หลวงพ่ออ่าบูชาแวเอามาขายผมไม่มีปรารมีผมไม่ปไม่มีปรารมีเหมือนท่านท่านยังดูหน้าดูตายัง แยงใช้ไม่ตากแดดอาบแดดเหมือนผมผมนี่นหลังแตกหมดแล้วตากแดดอยู่เนี่ยท่านดูท่าทางไม่ตากแดดใช่ไหมไม่เลยตากแดดท่านนี้แต่มีแล้วที่นี่สําหรับผมเองเอาพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่มีจะตุกคามไม่มีราะมะเทพองไหนอีกเดาเขารบพระพุทธเจ้าครบรับธรรมทําดีก็หลอกทําชั่วก็เหลอก เราละความชัว่วขอพ่อเราเราทำความดีเพราะเราเชื่อมมั่นตรงนี้เลยอันนี้ว่ารักเดียวใจเดียวไม่มีอะไรอีกอะไรย่งมันเป็นยางไงก็มาเป็นอะไระแต่กชายย่าง่ายก็ตามเพราะนั้นเนี่ยของจริงมันที่สูดได้มันเห็นแจ้งเห็นกรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรม คำมุนาวัตถิโลโกจัดโลกเป็นไปตามกรรมกรรมจะแนกไปเพราะจิงนี้มีจิงนี้ก็มีมาเรื่อยๆไปพราเราหลงมันจึงทุกข์จึงโกรธจรึงโลภตัวหลงเป็นใหญ่กว่าเขาตัวหลงเป็นแม่ของความอกุศลธรรมตัวลูกเป็นปุสสนรรธรรมอา้ามันก็มีเท่านี้มีพ่อมีแม่ มีพ่อแม่ในทางบาปมีพ่อแม่ทางบุญมันก็มีเท่านี้จะปหาที่ไหนอีกเรามันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราแสวง บ, บุญอะไรพระพุทธเจ้าตัดสอนพวกเราว่าไม่แสวง บ, บุญในนอกศาสนาอย่าเป็นมงคลถึงข่าวไม่แสวงบุญในนอกศาสนาศาสนาคือกายคือใจ คนเราที่เป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นดาม น, นี้เป็นตัวชาสนามันจะเสื่อมมันจะเจริญอยู่ที่นี้ไม่ใช่ศาสาร์เจริญเนาวัดโบดหลังไงใหญ่วิหารหลังโตโตพระพุทธรูปเลี่ยมหรืยับพระสองฆ์เจ้าเหลืองอัลามเตมัตเตมาแต่ยังทะเลาะกันอยู่เมื่อวานนี่ ยังมีพระเลขาของตำบลทธาตทองโอปืนท์กินเหล้าเมาปืนท์ไปขี้พระอตำบลหนองขา ม, นะามา อ, อาจารย์หวัวนโ้มาบอกอาจารย์หัวนมาบอกอานาบ้านหนองขามโทรมาบอกอน้องศาสนาว่าพระน่ะยังกินเหล้ายังจะปืนไหมถู่จะยิงเอรอ สาสนะเจริญไม่ใชอยู่ผ้าเหลืองอยู่วัดมันอยู่ที่กายที่ใจเราไงเราไม่เบียดเบียนเราไม่ทำร้ายเราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่บีดเบียนคนอื่นเอ า, าศาสนาไปไว้ในชีวิตจิตใจของเรานี่ว่าทํามุนแต่ในาศาสนาถ้าทุกคนทำอยู่ตรงนี้แล้วชืวอทาดีในกายในใจของเรามันก็เจริญ เป็นบุญแล้วถ้าเราไม่โรคไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละศาสาเจริญทางบุญในศาสนาเพราะว่าเป็นบุญถ้าเรามีบุญก็เกิดบุญต่อไปถ้าไม่ีบาปก็เกิดบาปต่อไปบุญไปต่อบุญบาปไปต่อบาปง่ายต้องกลัวเลยเราแน่นอนที่จุดเลยเป็นสัจธรรมที่สุดได้ พระพุทธเจ้าตัดไปดีแล้วพระธรรมเนะ่ยพระพุทธเจ้าตัดไปดีจริงๆเลยเนี่ยมีศรัทธาเข้า <c oughs> เรื่องนี้กันเอาไว้เป็นเมื่อนาของเราไว้แม้เรายังไม่บรรลุธรรมชั้นต้นชั้นกลางชั้นสงสุดเป็นพระโสดาบันเป็นพระสจิการมีเป็นพระเนยเป็นพระอหารเป็นกันอะไรยังมิร กับตัวเองให้ได้อย่าเบียดเบียนตนอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นเอาตรงนี้ไปเลยถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนตนใดไม่เบียดเบียนคนอื่นคนไทยเนี่ยหกสิบกว่าล้านคนก็สงบสันติก็สอนกันตรงนี้เราก็มาช่วยประเทศชาติช่วยโลกช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดอยู่กับเรา ก็สงบร่มเย็นเป็นอย่างนี้ก็สมควรใช้ เ, เวล า, าวจันทึิพ า, ก, า, พาพกับพระองกา